วันนี้เป็นวันพร ะ, ะวันพุทธที่ย5สบห้ากันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเป็นวันพระวันธรรมสวรนระ วันฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อมรกเพื่อผลเพื่อการหลุดพ้นวิมุตติเพื่อพานิพานที่จะตามมาต่อไปวันพระจึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธผู้ฝ่ายธรรม ผู้ปรารถนาที่จะสัมผัสกับรถแห่งธรรมคือรถของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์และรถของพระนิพพานที่เป็นพระบรมมสุขจำเป็นที่จะต้องมีวันให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเช่นวันละครึ่งชั่วโมงโอกาสที่จะได้รับสัมผัสกับรสของความสงบรสแห่งธรรมก็จะเป็นไปได้ยากก็จะไม่สามารถที่จะ พัฒนาการปฏิบัติให้มากขึ้นให้สูงขึ้นได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีวันพระวันศึกษาวันปฏิบัติธรรมเต็มรูปแบบทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา ตอนเช้าของวันพระนี้ก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าโดยประมาณพอสว่างก็ถือว่าเป็นวันพระแล้วก็จะไปจบในวันรุ่งขึ้นตอนเวลาสว่างของวันพรุ่งนี้ก็จะครบเวลาประมาณ24ชั่วโมงด้วยกันก็จะมีทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนถ้ามีเวลาให้กับการปฏิบัติ ได้แบบนี้โอกาสที่จะได้รับสัมผัสกับผลคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดวันพระขึข้นมาอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเดือนละสี่ครั้ง ปีละห้าสิบสองครั้งด้วยกันที่ศรัทธาญาติโยมผู้ยังเป็นคาวรวะผู้คองเองื้นผู้ที่ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้ที่ยังติดในความสุขทางโลกอยู่ให้ยุติให้หยุดการหาความสุขทางโลกไว้ชั่วคราวหนึ่งวันแล้วมาสร้างความสุขทางใจ ที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่มั่นคงกว่าความสุขทางโลกจึงจำเป็นที่จะต้องมีวันพระวันศึกษาวันปฏิบัติธรรมซึ่งสมัยนี้วันพระอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานก็จะไม่สามารถที่จะทำ การศึกษาและการปฏิบัติทำได้เพราะต้องไปทำงานก็ควรที่จะเปลี่ยนวันพระให้ตรงกับวันหยุดของตนถ้าหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาให้เป็นวันพระให้มาเป็นวันศึกษาวันปฏิบัติธรรมอย่างน้อยหปีหนึ่งนี้ ขอให้มีอย่างน้อยห้าสิบสองวันด้วยกันที่จะใช้ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมต่อไปก็มีบรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ก็เป็นเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัย ก็ต้องมีการไปเรียนกันไปศึกษากันนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยศึกษาอาทิตย์ละห้าวันด้วยกันศึกษาสี่ปีด้วยกันถึงจะได้รับปริญญาทางพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนสถาบันการศึกษาดีๆนี่เองเป็นสถาบันที่จะให้ความรู้วิธีการสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรม วิธีที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นที่จะต้องมีการเข้าห้องเรียนมีการปฏิบัติก็ถึงจะได้ผลถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นเต็มรูปแบบเหมือนกับการไปศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไม่เข้าห้องเรียนไม่ไม่ทำการบ้านโอกาสที่จะเรียนจบก็คงจะเป็นไปได้ยาก เ, ยเหตุที่ทำห้ชาวพุทธเราสมัยนี้จึงไม่ค่อยมีการบรรลุมรรคผลนิพพานกันขึ้นมาก็เพราะว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันพระไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา กับการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้สรงสอนให้ปฏิบัติกันโด mm hmm. ยอ้างว่ามรรคผลนิพพานนี้หมดสมัยแล้วอยู่เป็นได้เฉพาะในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนเท่านั้น mm hmm. พอหลังจากพระพุทธเจ้าไปแล้ว mm hmm. ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเอามรรคผลนิพพานไปด้วย แต่ความจริงพระเจ้าก็ทรงตัดบอกไว้แล้วว่าการจากของพระพุทธเจ้าไปนั้นจากเป็นเพียงร่างกายแต่ตัวของพระพุทธเจ้าเองนี้ยังอยู่ในพระธรรมคำสั่งคำสอนในพระธรรมวินัยที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วในสวากขาโตภควตาธรรมโมผู้ใดถ้าอยากจะเข้าหาพระพุทธเจ้า ท่นก็สงสอนให้เข้าหาด้วยการศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเก็บไว้ในพระคัำพีพระไตรปิฎกสามารถไปศึกษาคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าอยากก็คมภีร์ได้สา ม, มารถเข้าถึงธรรมต่างๆที่พระพเจ้าได้ทรงบรรลุ ถ, ถึงได้ อยู่ในพระคำพีพระไต่พิดกนี่ศึกษาแล้วก็นำมาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบเอาจริงเอาจังมไม่ใช่ศึกษาปฏิบัติพอหอมปากหอมคอนั่งสมาธิกันวันละครึ่งชั่วโมงบ้างสิบห้านาทีบ้าง ถ้านั่งแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้การที่จะได้รับผลจากการปฏิบัตินี้แทบจะไม่มีเลยแล้วก็เลยมาอ้างว่าเพราะยุคนี้สมัยนี้หมดหมดสมัยแล้วสำสาหรับการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้แนละ้วเป็นไ ด, ได้แต่เฉพาะช่วงที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นถ้ามีความคิดแบบนี้ก็เท่ากับ ปประตูกันโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันแต่ถ้าได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนต่างๆก็จะรู้ว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้อยู่กับยุคกับสมัยไม่ได้อยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง พพุธรรมพระสงค์นี้เป็นเพียงผู้ที่บอกทางสู่มรรคผลนิพพานสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโน ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติในวันพระนี่เป็นจุดเริ่มต้น <c oughs> ถ้ามีวันพระเราสามารถศึกษาและปฏิบัติในวันพระได้ผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนที่ไม่มีผลปรากฏขึ้นมาก็เพราะว่า อาจจะมีการปฏิบัติบ้บางแต่ไม่มากพอไม่ถือว่าเป็นสุปฏิปันโนเป็นเซี่ยวหนึ่งของสุปฏิปันโนคือนั่งสมาธิครั้งละสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้ต้องทำให้มากขึ้นทำให้เต็มที่เช่นในวันพระนี้ก็ให้หยุดภารกิจการงานต่างๆถ้าต้องทำงานในวันนี้ ก็เปลี่ยนวันพรพไปเป็นวันหยุดทำงานแทนจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันไหนก็ตามที่เป็นวันหยุดเพราะการจะทำกิจทางาศาสนาการที่จะศึกษาการที่จะปฏิบัติธรรมได้เนื้อต้องไม่มีภารกิจการงานต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันจะขัดกันขวางกัน เพราะภารกิจทางธรรมนี้ต้องการปล่อยวางสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นกองทุกเป็นกองทุกเป็นกองกองทุกขังอันิจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเป็นอนัตตาไม่เป็นสมบัติของใครไม่มีใครสามารถครอบครองสิ่งต่างๆความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสูญเสียไปหมดไปถ้ามายังมาทางานด้วยแล้วก็มามาปฏิบัติธรรมด้วยมันก็จะขัดกันเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องการปล่อยวางความสุขทางโลกแต่เวลาทำงานก็ต้องการที่จะหาความสุขทางโลกกัน มันจึงไม่สามารถที่จะทำร่วมกันได้จึงควรที่จะแยกการออกจากกันถ้ายังมีความจำเป็นที่ยังต้องทำงานทางโลกอยู่ก็ทำไปแต่อย่างน้อยภายในเจ็ดวันนี้น่าจะมีอย่างน้อยวันหนึ่งที่เราจะสามารถเอามาให้กับการทำงานทางธรรมมาเอาความสุขทางธรรมกัน เพราะความสุขทางธรรมนี่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่คงอยู่ต่อไปไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่สิ้นสุดลงที่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือความสาคัญของมันพระขอให้อยากจะตอกย้ำอยู่เรื่อยๆให้เห็นความสาคัญถ้าเรามีศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราก็ต้องมีวันให้กับการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอย่างเต็มรูปแบบด้วยการหยุดภา ร, รกิจการงานต่างๆเราก็ต้องเลือกวันพระให้ตรงกับวันหยุดทำงานสมัยก่อนวันพระกับวันหยุดทำงานเป็นวันที่ตรงกัน สมัยที่ประเทศไทยยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศก็จะหยุดทำงานในวันโกนวันพระกันเพื่อจะได้เข้าวัดเข้าว่าก็ไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติธรรมกันวันพระก็ยึงตรงกับวันหยุดชาวพุทธเราก็จะได้มีวันศึกษาปฏิบัติ ทุกประเทศที่ทละหนึ่งครั้งปีหนึ่งก็ประมาณห้าสิบสองครั้งด้วยกนันก็มีสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ น, นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์การการไปสู่พระนิพพานที่เป็นสถานที่บาล ม, มสุ ประฐานที่ปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปต้องมีการการศึกษาและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการที่จะสร้างความสงบให้กับใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการควบคุมใจไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าต้องไปทำงาน ก็ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทาการก็รจะไม่สามารถที่จะมายับยั้งมาหยุดความคิดเพื่อทําจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้ํำเป็นที่จะต้องไม่ทำงานในวันพระให้เอาวันที่เราหยุดทำงานนี้เป็นวันพระเพราะสมัยนี้วันพระจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของ ผู้ที่หยุดทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะวันพระจะเลื่อนไปเรื่อยๆอาทิตย์นี้เป็นวันพุธอาทิตย์หน้าก็จะไปเป็นวันพระรหัสเลื่อนไปเรื่อยๆนานๆก็จะมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์สักครั้งนึงถ้าเราให้มาตรงกับวันเสาร์วอาทิตย์แล้วค่อยมาศึกษาให้หรือมาปฏิบัติ เวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติก็จะมีไม่มากดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ได้หยุดทำงานในวันพระก็ขอให้เปลี่ยนวันพระของท่านให้ตรงกับวันหยุดทำงานของท่านก็แล้วกันถ้าหยุดทำงานวันเสาร์ก็ใช้วันเสาร์เป็นวันพระไม่ให้ไปทำงานเกี่ยวกับทางโลก ไม่ให้ไปแสวงหาความสุขจากทางโลกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะจากราบยศสรรเสริญแต่ให้มาแสวงหาความสุขจากทางธรรมจากการทำใจให้สงบนี่ก็คือภารกิจในวันพระคือเราจะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน ปกติเราจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลตภะชนิดต่างๆที่เราเรียกว่าการมาคุห้าเสพความสุขทางการอารมณ์เสพความสุขจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาทางร่างกาย เพราะเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่มั่นคงต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันถึงจะทําให้เกิดความสุขทางทางกายได้หนึ่งก็ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้เลี้ยงดูร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ต้องมีเงินทองไปใช้จ่ายในการซื้อ ความสุขในรูปแบบต่างๆความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายในรูปแบบต่างๆไม่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการไปดูภาพปยนต์ไปดูมหัรสยบันเทิงต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้ต้องมีปัจจัยต้องมีทรัพย์ ม, พยมีเงินมีทอง แล้วเงินทองก็ไม่ใช่เป็นของที่จะหาง่าย<ม>แล้วถ้าใช้ไปมันก็จะหมดง่ายมหมดแล้วก็ต้องไปดิ้นรนกับการที่จะต้องไปทามาหากิน<ม>หาเงิ น, ห า, งนหาทองดัง<ม>นั้นการหาความสุขทางทางโลกทางรูปเสียงกลิ่นรสผลเสพนี้จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก<ม>และไม่แน่นอนว่าจะหาได้เสมอไป เวลาที่เงินทองขาดแคลนขึ้นมาความสุขที่เคยได้มันก็หมดไปมีญาติโยมบางคนตกงานมาร้องหม่ร้องไห้มีแต่นี้สินพะตามีงานก็ประมาทคิดว่าจะมีงานมีทำงานไปได้ตลอด อยากจะได้อะไรอยากจะใช้อะไรอยากจะซื้ออะไรก็ใช้ใช้ผ่านบัตรเครดิตไปไปสร้างหนี้ขึ้นมาทาั้งๆั้งที่เงินที่ตวเองมีอยู่ก็มีไม่ไม่มากพอที่จะซื้อสิ่งเหล่า น, นี้ด้วยเงินสดได้อาศัยเลขกุลของบริษัทที่ต้องการจะขายสินค้ า, าก็ให้ซื้อแบบรูปแบบของเงินผ่อน แต่ถ้าเมื่อเมื่อไรที่ผ่อตไม่ได้เมื่อนั้นเขาก็จะมายึดคืนไปหมดคอยมีรถก็จะถูกเขายึดรถไปคอยซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ต้องถูกเขายึดไปคนสมัยนี้ไม่ค่อยได้คิดถึงความเม่นเที่ยงแท้แน่นอนของรายได้ของเงินทองของการงานไม่ใช่ว่าจะได้ทำงานไปเรื่อย บางครั้งบางคราวก็อาจจะตกงานก็ได้อันนี้แหละคือลักษณะของความทุกข์ของการหาความสุขทางโลกที่ไม่มั่นคงที่ไม่ <c oughs> ที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างร่างกายก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงต้องมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ แล้วหลังจากนั้นก็ยังต้องไปหาสิ่งที่เสพอีกเพราะรูปเสียงกลิ่นรสก็มีหลายรูปแบบ ด, ด้วยกันบางรูปเสียงกลิ่นรสบางอย่างที่ไม่ชอบไปเสพมันก็ไม่มีความสุขเอต้ังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มีที่ชอบที่ถูกใจถึงจะมีความสุขแลวรูปเสียงกลิ่นรสที่รักที่ชอบก็เป็นของที่ไม่แน่นอนอีกเหมือนกัน วันนี้อาจจะมาพรุ่งนี้อาจจะไปก็ได้ไม่มีอะไรที่จะจับได้ให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดความสุขทั้งโลกท่านถึงตัดว่ามันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบั ง, บงคับของเรา เราได้มาแล้วไม่ใช่ว่าจะจะอยู่กับเราไปได้ตลอดมันเวลาก็อาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> ถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาไปเขาก็จะไปอันนี้คือลักษณะของความสุขทางโลกที่พวกเราส่วนใหญ่ยังยังติดกันอยู่แล้วก็ต้องมาวิตกมากังวล มาห่วงใหญ่กับเหตุกับปัจจัยต่างๆที่จะเพื่อความสุขให้กับเราวิตกกังวลกับรายได้กับการงานวิตกกังวลกับสุขภาพของร่างกายวิตกกังวลกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระชนิดต่างๆที่เราจะไปแสวงหามาเสกกันแล้วเสกมาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แต่กลับจะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากเสพขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขทั้งโลกมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอแก่ผู้เสพได้เพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดนี่เองยาเสพติดนี้เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะต้องเกิดความ หดเหยีดหยดลำคาญใจไปจนถึงถึงอา ก, การเครียดถึงอาการซึมเศร้าขึ้นมาบางคนทนไม่ได้เป็นบ้าไปก็มีบางคนทนไม่ได้ฆ่าตัวตายไปก็มี <c oughs> นี่ละอริ์ของความสุขทางโลกถ้าผู้เสพไม่ละมัดระวังไม่รู้จั ก, วกควบคุมใจให้เสพพอประมาณให้เสพตามมีตามเกิด พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกที่ยังเสพกามอยู่เสพความสุขทางโลกอยู่ให้ใช้หลักของความมักน้อยสันโดษพยายามใช้น้อยๆใช้ของถูกๆจะได้ไม่เสียเงินมากเงินทองจะได้มีเก็บไว้ไว้ใช้อยู่เรื่อยๆใช้ในวันที่ที่เงินทองอาจจะไม่มาก็ได้ ก็อาจจะตกงานหรืออาจจะไม่สบายไม่สามารถไปทำงานได้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยการที่จะทำให้การได้เงินได้ทองมานี้มันไ ม, ไม่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงเพราะั้น <c oughs> ผู้ที่ฉลาดจึงต้องมีการสํารองเอาไว้จึงไม่ใช้แบบพุ่มเฟย <c oughs> ไม่ใช้เกินความจำเป็น ถ้ายังต้องเสพกามอยู่ก็เสพการในรูปแบบที่มันไม่ฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองมากมายเสพตามฐานะของเราของที่เขาขายในตลาดนี่มันมีหลายระดับหลายราคาด้วยกันเพราะเขาขายให้คนที่มีรายได้ที่ไม่เท่ากัน คนที่มีรายได้น้อยเขาก็มีของอที่ราคาไม่แพงคนที่มีราคามากเขาก็มีของแพงๆให้แต่ความสุขที่ได้มันก็แบบเดียวกันเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเสรแล้วมันก็หมดไปแล้วก็เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อย นี่ะคือลักษณะของความสุขทางโลกแล้วก็จะไปสิ้นสุดลงในช่วงที่ร่างกายหมดสภาพไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆได้เวลาที่ร่างกายแก่ชราเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหลายโรคด้วยกันอย่างนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังมา คนแก่ส่วนให ญ, ญ่จะมีโรคคล้ายๆกันโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคดับโรคตายอะไรต่างๆโรคตาโรคหูมีแต่โรคทั้งนั้นเพราะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเมื่อมันเสื่อมลงเสื่อมลงมันก็จะเกิดโครคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นมามากๆอยู่เรื่อยๆ และในที่สุดก็จะต้องเข้าสู่ความตายไปช่วงนั้นก็จะช่วงแก่เจ็บตายนี้ก็จะแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปหาความสุขเหมือนตอนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยคนที่แก่เจ็บตายบางคนก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดอาการไม่ดีไม่เป็นปกติขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดอะไรต่างๆขึ้นมา เพราะไม่สามารถหาความสุขแบบที่เคยหาได้นั่นเองอคนเราจึงต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ใช่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นดผดถัไม่ต้องใช้เงินทองออคือการมาหาความสุขจากความสงบของใจอันนี้เราเรียกว่าความ ความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร <c oughs> ่างกายที่แข็งแรงร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยังสามารถหาความสุขทางธรรมได้ถ้าเคยฝึกขัดเคยรู้จักวิธีสามารถเข้าถึงความสุขทางธรรมได้ก็สามารถที่จะเข้าสู่หาความสุขทางธรรมได้ในทุก ทุกระยะของร่างกายไม่ว่าจะแก่หรือไม่แก่ว่าไม่ว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บหรือไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายก็ตามยังสามารถหาความสุขทางธรรมได้ความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกด้วยให้ความอิ่มความพอแทนที่จะให้ความหิวความอยากกับทําให้ความหิวความอยากลดน้อยถอยลงไปเรื่อย จนในที่สุดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วความสุขทางธรรมก็จะปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมาเหมือนตอนในระยะแรกๆระยะแรกๆนี้ใจมีความอยากมากอยากในราบยศสรรเสริญอยากในรูปเสียงกลิ่นล่นที่มาคอยสร้างความทุกข์สร้างความไม่ไม่สุขให้กับใจอยู่เรื่อย แต่พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปความสุขต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตามการลดหายไปของความอยากต่างๆจนในที่สุดถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ใจก็จะสงบใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เรเรียกว่าเป็นความสุขของพระนิพพานของพระพุทธเจ้าของพระอาหานตสาวกทั้งหลายคำ <S S S 2> ว่าพระอาหานตสาวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียวเ ป, เป็นชายอย่างเดียว ผ้าหลานนี่สามารถเป็นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาดเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ขอให้รู้จักวิธีทำใจให้สงบเท่านั้นขอให้รู้จักวิธีหยุดความอยากต่างๆให้ได้ให้มันหมดไปจากใจเทาใจก็สามารถเข้าถึงพันนิพพานได้ อันนี้แหละคือภารกิจที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเราเข้ามาทากันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขอาทิตย์หนึ่งมาลองมาหาความสุขทางธรรมกันสักหนึ่งวันอีกหกวันก็ไปหาความสุขทางโลกกันไปพงัพงๆก่อนเพราะการที่จะเลิกหาความสุขทางโลกแบบทันทีทันใดนั้นมันเป็นไปได้ยากเป็นคนที่ติดยาเสพติดนี่ อยู่ดีๆจะบอกให้เลิกทันทีทันใดนี่มันเป็นไปได้ยากรึอเป็นไปไม่ได้เลย<ม>อย่างยากโยมติดอะไรอยู่ตอนนี้เราบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ติดแล้วได้ไหย<ม>ติดกาแฟไม่ดื่มกาแฟเลยเลิกกาแฟติดบุหรี่ไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ติดสุราไม่ดื่มสุราติดขนมนมเนยอะไรต่างๆมไม่กิน<ม><ม>กินแต่ของกินแต่ข้าวกับ เพื่อเลี้ยงปาเลี้ยงท้องก็พอแต่ไม่ได้กินเพื่อเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากลองลองดูซิว่าจะทำได้ไหมคะหรือว่าติดอะไรติดกาแฟต่อไปนี้เลิกดื่มกาแฟได้ไหมติดดูละครเลิกดูละครได้ไหติดไปเที่ยวติดไปช้อปปิง้งเลิกได้ไหม <c oughs> เลิกทันทีทันใดเลยได้ไหมถ้าเลิกได้ก็เสือว่ามีบรารมีสูงมีบุญเก่าเยอะ เอาจจะได้ฝึกยุดฝืนความอยากมาก่อนในอดีตชาติพอมาได้ยินได้คำได้ยินคําสอนมาคอยเตือนอีกทีว่าถ้าอยากจะหาความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรความสุขที่แท้จริงนี่ต้องเลิกหาความสุขที่เกิดจากความอยากต่างๆความติดในสิ่งต่างๆต้องเลิกเสกรูปเสียงเกินลดในรูปแบบต่างๆให้ได้คนบางคนนี้เขามีบา ร, รมีสูงมีพลังจิตสูง พอได้ยินในฟังธรรมของพระเจ้านี้เขาก็สามารถปฏิบัติตามได้เลยพระเจ้าสอนคนคนหนึ่งว่าให้สักแต่ว่ารู้ให้ศักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าให้เห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินได้ดมกลิ่นก็สักแต่ว่าได้ดมกลิ่นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอย่าไปติดรูปเสียงกลิ่นลดง่าย ให้มันมาแล้วก็ให้มันไปไม่ต้องไปเสกมันอย่าไปเสกมันถ้าทำได้ก็บรรลุถึงพันธิพานได้คนนี้ที่พระเจ้าทรงสอนในขณะที่ไปบิณฑบาตแล้วชายคนนี้เขามาขอความเมตตาให้พระเจ้าด้วยโปรดแสดงธรรมพระเจ้าบอกตอนนี้ไม่สะดวกเป็นเวลาที่บิณฑบาตอยู่เขาก็ขอมาขอสั้นๆก็นกันกันขอให้ขอให ขอเนื้อหาสาระความสําคัญความจริงเท่านั้นพระเจ้าก็บอกว่าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่าให้รู้อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากอย่าไปเสกมันปล่อยมันมาแล้วปล่อยมันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเพอาของทุกอย่างมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็มันมันมันก็ไปะ พัทงท่านี้ชายคนนั้นก็บรรลุธรรมก็เลยขออนุ ญ, ญาตพูะเจ้าว่าจะไปเตรียมอัฐบริขารเพื่อมาขอบวชในระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขวิดตายพอพระเจ้าทรงทราบข่าวก็ทรงบอกให้ศรัทธาญาติโยมสร้างสถุบมบรรจุอัฐิของชายคนนี้เอาไว้การที่จะเอาอัฐิไป เก็บไว้ในสถูปหรือในเจดีนี้หมายความต้องเป็นของพระพุทธเจ้าหรือของพระอ า, าราณ์ในสมัยก่อนนี้เขาสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าพาระปเจกับพระพุทธเจ้าพระอ า, าราณตสาวกและพระพระมหาจักรพรรดิเทนะ่นั้นเพราะเป็นบุคคลที่สําคัญบุคคลที่หายากเป็นปูชนียบุคคล ที่คนจะมีที่ให้ลำลึกถึงเพื่อจะได้เป็นแบบฉบับที่ดีของอนุชนอนุชนรุ่นหลังที่มาเกิดจะได้รู้ว่าการสิ่งที่ดีที่มีคุณประโยชน์นี้อยู่ที่ไหนอยู่เป็นคนแบบไหนถึงจะถือว่าเป็นคนที่ดีของคนที่เลิศของคนที่ประเสริฐก็คือต้องเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเป็นพระอนันตสาวกหรือเป็นพระมหาจากัจากรพรรดิเพื่อที่จะได้ดึงดูดจิตใจของคนให้มุ่งมั่นไปสู่ความดีงามต่างๆประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงความประเสริฐของของของธรรมของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์กับสัตว์โลกอย่างมาก พระพุทธเจ้าพรหลานศสาวลกจะจะช่วยพาสารโลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระมหาจั ก, กรพรรดิก็จะปกครองให้ประชาราชนอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขแข็วค่าปลอดภัยจากภัยต่างๆที่อาจจะมาคุกคามประเทศได้บุคคลเหล่านี้ยังถือว่าเป็นบุคคลประเสริฐเป็นบุคคลที่คนที่จะล้ำลึกถึง ควรจะมีปูชนียสถานให้เรานำนึกถึงเพือที่เราจะได้ไม่ลืมถึงความประเสริฐของท่านและเป็นการให้ศรัทธาความเชื่อและฉันทาความยินดีที่จะปฏิบัติตามเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาเป็นรูปแบบของการดําเนินชีวิตต่อไป <Yeah. S 2> นะพระพุทเจ้า ก, ก็บอกว่าให้สร้างสตุ ก็แสดงว่าบุคคลคนนี้ได้บรรลุแล้วได้บรรลุเป็นเป็นพระอารหันตะ์ได้เข้าสู่พระนิพพานแล้วประดูของท่านอัติของท่านก็จะกล า, ายเป็นพระธาตุไปกลายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นอนุเป็นอนุสรสถานให้อนุชนุ่นหนังได้มารำลึกถึงกัน <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้ง 2,500 กว่าปีมันก็ยังอยู่ในใจของชาวพุทธเราอยู่ เราเป็นชาวพุทธที่ศึกษาธรรมะเรามักจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เสมอเป็นเครื่องเตือนใจเราเป็นเครื่องให้กำลังใจกับเราวิธีของการที่เราจะไปไปพันิพานวิธีของเราที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ทำอย่างไรถ้าเรามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีสติปัญญาที่ที่เต็มร้อยเนี่ยพอได้ยินได้ฟังธรรมแค่สั้นๆแบบนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้นี่ yeah. เพลงแต่หยุดใจของเราหยุดความอยากอยากจะดื่มกาแฟาก็อย่าไปดื่มเห็นกาแฟาก็สักแต่ว่าเห็นเห็นบุหรี่ก็สักแต่ว่าเห็นเห็นสุราก็สักแต่ว่าเห็นเห็นละครก็สักแต่ว่าเห็นอได้ยินเพลงเสียงเพลงก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปยินดีอย่าไปชอบอย่าไปติดให้อยู่กับความนิ่งสงบอยู่กับอุเบกขาการที่เราจะมี การที่เราจะวางเฉยได้เนี่ยเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าสู่ฌานขั้นที่สี่รูปฌานขั้นที่สี่ให้ได้เพราะฌานในรูปขั้นรูปฌานขั้นที่สี่นะี่แหละคือที่เกิดของพระของอุเบกขาถ้าใจถึงขั้นนั้นแล้วใจจะนิ่งเฉยจะวางเฉยได้จะสักแต่ว่ารู้ได้จะสักแต่ว่าได้เห็นได้ได้ยินได้ เราจึงต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้เข้าถึงจุดนั้นให้ได้เพราะถ้าเรายังเข้าไม่ถึงจุดนั้นเราจะไม่สามารถทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าด้เห็นเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าก็สักแต่ว่าเห็นไม่ใช่เห็นตั้มหูตาผึ่งขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาเห็นยี่ห้อปะไว้เป็นกุชชี่เป็นอะไรขึ้นมาร่อนขึ้นมาทันทีใจร้อนขึ้นมาทันที อันนี้มันยังไม่มีอุเบกขามันมีแต่กิเลสครอบงำจิตใจตลอดเวลาความโลภความอยากครอบงำจิตใจแต่คนที่พระเจ้าสอนนี่เขาไม่มีเขาระ ง, งับได้ถ้าเกิดทั้นเขาก็ระ ง, งับได้ทันทีพอเห็นอะไรถ้าเกิดความโลภเขาก็หยุดได้เห็นอะไรได้ยินอะไรเกิดความโลภเขาก็หยุดได้เขาจึงบรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมก็แค่แ ค, แค่ทําใจให้ ปราศจากความโลภโกรธหลงทั้งนี้ไม่ให้มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจของเราใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นบร ม, มีสุขขึ้นมาความสุขที่ปราศจากความโลภโกรธหลงนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําตามความโลภโกรธหลงการไปทําตามความโลภโกรธหลงก็ได้ความสุขเชื่อแวบเดียวเชื่องูแวบลิ้นแต่ล้วได้กระเป๋าใบ ม, มานก็ดีโยกดีใจไปวันสองวัน เดี๋ยวไปเห็นไปเห็นใบใหม่ขึ้นมามันก็เกิดความโลกขึ้นมาใหม่แล้ว <c oughs> ไม่มีวันหยิบไม่มีวันพอ <c oughs> แล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์เสยียใจ <c oughs> อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเปลี่ยนวิธีกัน <c oughs> อันนี้เราหาวิธีหาความสุขจากลบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการมีราบยศฐานรถถเสริญ <c oughs> โดยการใช้ลาบกับยศนี้เป็นเครื่องมือถ้าเรามีลาบเราก็จะมีเงินมีทองมีพลังกําลังซื้อถ้ามียศเราก็จะมีตําแหน่งเราก็จะมีอํานาจสามารถสั่งการอะไรให้กับสิ่งที่เป็นไปได้ยากให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายขึ้นมาก็ได้คนเราถึงติดลาบยศสรรเสริญกันเต็นความสศขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ไม่เคยคิดถึงเวลาที่มันเสื่อมเวลามันเสื่อมแล้วมันก็ เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าขึ้นมาคนที่เคยมีเงินมีทองพองเงินทองหมดนี่ก็ก็กลายเป็นคนคนจนไปคนที่มีอํานาจพอพ้นอานาจก็กลายเป็นคนธรรมดาไปก็เลย <c oughs> ทุกข์กันเวลาที่มันเสื่อมแต่ไม่เคยคิดถึงเวลาเสื่อมกันคิดแต่เวลามันจเจริญเท่านั้นอยากจะได้ได้เงินแล้วโจะได้ซื้อนู่นซื้อนี่ มีอำนาจมีตำแหน่งแล้วสามารถสั่งชี้นิ้วได้สั่งให้ใครเขาทำอะไรตามที่เขาอยากได้ผิดก็ชี้ให้มันถูกก็ได้ <c oughs> อันนี้มันเป็นเรื่องของรถของทางโลกแต่ไม่มองว่าเวลามันเสื่อมนี่เป็นยังไงบางคยก็ต้องโสมสารเวลามีอำนาจก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูกพอ <c oughs> หมดอำนาจก็ต้องหนีสิ <c oughs> อยู่ไม่ได้อยู่ก็ถูกจับติดคุกติดตารางไปอน <c oughs> นี่คือเรื่องของทางโลกเป็นความสุขที่วุ่นวายมีความสุขที่ไม่แน่นอนมีความสุขที่จะต้องเจอกับความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วให้เรามาหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมาดีกว่าเป็นความสุขล้วนๆเป็นความสุขที่เกิดจากการบําเพ็ญ การปฏิบัติตามคําคสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในวันพระนี้พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาบําเพ็ญทำสามขั้นในการทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาทําทานแล้วก็ใส่บาตรบริจาคเงินบริจาคทองทำนุ บ, บํารุงเพราะพุทธศาสนาเพราะศาสน า, า, า, าเป็นเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่เก็บเงินเก็บทอง ถ้าไปเรียนที่อื่นนี้เขามีค่าค่าเล่าเรียนกันไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาก็มีค่าเล่าเรียนแต่มาเรียนที่พุทธศาสนานี้ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามศรัทธาจะมาอยู่มากินก็ไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไม่มีการทำบุญทำทานก็สถาบันก็จะอยู่ไม่ได้วัดก็จะอยู่ไม่ได้เพราะวัดอยู่ได้ก็เพราะต้องมี มีการทำบุญทำทานของศรัทธาญาติโยมมาสนับสนุนเพราะว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆาการจะสร้างวัดขึ้นมาก็ต้องซื้อที่ดินซื้อที่ดินแล้วก็ต้องซื้อสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเขาต้องมีปัจจัยเงินทองถ้าไม่มีปัจจัยเงินทองก็ต้องอาศัยกําลังของชาวบ้านของญาติโยมมาช่วยกันสร้างนั่นแหละการทําทานให้กับาศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ ชาวพุทธเราโดยเฉพาะผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนาให้สามารถทําหน้าที่รับใช้พวกเราต่อไปได้เรื่อยๆให้พวกเราได้มีสถานที่ศึกษาธรรมมีสถานที่ที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมกันได้เราจึงต้องมีการทําบุญทําทานให้กับพระศาสนาอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะรักษาฐาวนวระวัตถุสถานที่ สถาบันของของการศึกษาทางพุทธศาสนานี้ให้มีอยู่ไปได้เรื่อยๆอยอันนี้ก็ต้องทําทานกันพระอาจารย์หนึงสอนให้ทําทานกันทําตามกําลังของเรามีมากมีน้อยก็ทําไปไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทําเท่านั้นเท่านี้ทําตามสถานะของเรามีมีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยอันนี่คือสิ่งแรกที่เราควรจะทําทกัน ในวันพระนี่คือทำบุญทําทานกันแล้วเราก็มารักษาศีลกันปกติวันธรรมดาเราก็จะรักษาศีลห้ากันวันธรรมดาเราจะเป็นพุทธมามากะคือเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็รักษาศีลห้าทำบุญทำทานตามโอกาส ไปวพระสวดมนฝึกสมาธิทังเทศทางธรรมตามโอกาสไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ต้องทำทุกวันทุกเวลาแต่ทาตามโอกาสเท่าที่จะทำได้อนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธมามะกะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านชาวพุทธในทะเบียนบ้านนี้ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงศ์สอนอะไรเป็นเป็นใครเลย ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรมคำสอนเลยถ้าเข้าวัดก็เข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้พระพุทธรูปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอพอรขอให้ร่ำให้รวยขอให้ได้น้น่นให้นี่ท่นานนง้อันนี้ถือว่าเป็นพุทธในทะเบียนบ้านยังไม่ได้เป็นพุทธพุทธแท้พุทธจริงพุทธจริงต้องมีศรัทธาความเงื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุธทธเจ้าธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยก็ต้องปฏิบัตินะตามให้ทำบุญทำทานตามโอกาสให้รักษาศีลห้ามอย่างอย่างยั่งยืนอย่างต่อเ น, นื่องไม่ให้ขาดตอนเพื่อจะได้ปิดประตูาบายไม่ให้ต้องไปเกิดในอาบายต่อไปให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติให้เป็นมนุษย์ตายไปก็ให้ไปเป็นเทวดา ากทวเวลากลับมาก็มาเป็นมนุษย์มาทำมุนทำทานมารักษาศีลไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาพื่รรำคำสอนเพื่อขัดเกลจิตใจด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิตามโอกาสพอมาถึงวันพระนี่เราก็เปลี่ยนจากพุทธมามะกะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือผู้ชายถือศีลแปดปฏิบัติธรรมผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาเป็นผู้ที่จะ มาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นการเสบความสมความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการถือศีลนิคมะศีลแปดนี้เป็นเป็นศีลห้ากับศีล น, นิคัมมะรวมกันเป็นสองอย่างศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไม่พูดปดไม่ดื่มชลายาเมาแล้วก็สี่ข้อ ส่วนข้อที่สามที่เป็นการเมก็เปลี่ยนเป็นอ布拉เมจาริยาอันนี้เป็นศีลเนกขมศีลห้ายังเสพกามได้อยู่ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่ให้ทําไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีไม่ให้ประพฤติผิดในกามคือให้อาจจะร่วมหลับนอนก็ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาลูกลูกบุตรทิดาของคนอื่นเครับอันนี้ ถือศีลห้ายังเสพกามได้อยู่แต่มาเธอพอมาถือศีลแปด น, นี้ต้องเลิกเสพกามก็ถือศีลนา ร, รมจจริยาอย่างที่ญาติโยงนุ่งขาห่มขามาอยู่วัดกันทนี้ก็ถือว่ามาถือศีลข้อสี่นี้อบ ร, รมจจริยาศีลของผู้ของพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็ผู้ที่ไม่สว่างหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใคร <c oughs> เรียกว่าเป็นเนคขมะ นี่คำว่มมาแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางกามการหยุดหาความสุขทางกามอารมณ์ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสก็มีอยู่สี่ข้อเนี่ยข้อที่ข้ออบร ม, มาจาริยาก็ข้อหนึ่งแล้วเติมด้วยศินข้อ6กก็คือไม่ไม่หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตให้ให้รับประทานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ กินอาหารดื่มเครื่องดื่มเพื่อดับความหิวของร่างกายก็พอให้ร่างกายสามารถอยู่ต่อไปได้อีกหนึ่งวันด้วยการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานครั้งหนึ่งก็ได้สองครั้งก็ได้แล้วแต่ความพอใจบางท่านก็มีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีความอดทนที่แก่กล้าก็กินแค่มื้อเดียวก็พอมันก็เหมือนกับเติน้ามันรถ เติมเติมสองครั้งเติมทีละครึ่งถังก็ได้หรือเติมทีเดียวเติมให้มันเต็มถังเลยก็ได้ผลมันก็คือเท่ากันน้ํามันก็ได้เท่ากันแต่บางท่านก็อยากจะเติมสองครั้งกินสองครั้งเช้ากินครึ่งหนึ่งเที่ยงกินอีกครึ่งหนึ่งบางคนก็บอกมันยุ่งยากกินมันทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยก็ได้เอาเวลาไปให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิก็มีการกินมื้อเดียวก็มี อันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนแต่ยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้กินหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเพราะที่จะได้ไม่ไม่มาเป็นนิวรนเพราะการรับประทานอาหารมากก็จะทำให้เกิดความง่วงนอนได้แต่จะนั่งสมาธิแทนจะเข้าสมาธิก็จะเข้าพวังหลับนั่งแล้วก็คอพับ เพราะว่าร่างกายมันมันอิ่มท้องมันตึงพอท้องมันตึงหนังหนังตามันก็หย่อนมันก็ง่วงนอนนั่งสมาธิก็จะหาวหาวแล้วก็จะหลับจึงไม่ให้กินอาหารมากเกินไปเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิเป็นอุปสรรคต่อการทาจิตใจให้สงบแล้วก็ไม่ให้เอาเวลาไปใช้กับการหาความสุขจลกการดูการฟังมหัศลศพบันเทิงต่างๆ ถ้าเป็นไปได้มือถือก็ปิดไปเลยหรออย่าเอาไปวั น, น, นวันไหนที่จะไปปฏิบัติธรรมก็อย่าเอามือถือไปเพราะมันมีใกล้มือแล้วมันอดไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะดูเดี๋ยวก็อยากจะฟังมันก็จะทำให้ไม่มีเวลามาศึกษาไม่มีเวลามาปฏิบัติแต่เอาเวลาไปดูไปฟังมือถือกันอันนี้ก็ต้องปิดมัน ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเอามาเลยก็ดีทิ้งมันสักวันติดมือถือดูถ้นเลิกเลิกติดได้ไหมมือถือมันเป็นยังไงสมัยก่อนเราไม่มืมีมือถือเราก็อยู่กันได้มือถือมันก็เพิ่งเกิดมาได้แค่สิบกว่าปีนี่เย่างนึงเมื่อก่อนไม่มีมันเราก็อยู่ของเราได้มาทําไมพอตอนนี้มีมันแล้วอยู่อยู่ขาดมันไม่ได้แล้วเพราะเราไปติดมันมันก็เป็นยาเสพติดอย่างนงมือถือเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาต้องเริ่มมีกฎหมายห้ามเด็กเล่นมือถือแล้วเพราะเขาเห็นโทษของเด็กที่ไปติดมือถือมันจะไม่มีกรจิกกระจายเรียนหนังสือแล้วนี่แต่คิดอยากจะดูมือถืออย่างเดียวแม้แต่เด็กสองขวบมันก็ยังติดมือถือเลยพ่อแม่บางทีต้องวุ่นวายกับการขายของลูกมันคอยมารบกวนก็เลยเอามือถือให้มันดูพอดูมันก็นั่งนอนดูของมันไปไม่มารบกวนพ่อแม่ทําไปมันก็ติด พ่อแม่ดึงไม้มาไม่ให้มันดูมันก็ร้องมันก็โวยวายขึ้นมาอันนี้ตัวตัวรายกาจคือคือมือถือร้ายกาจในการที่จะมาเป็นอุปสรรคของการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไปติดมือถือแล้วถึงแม้จะมาอยู่วัดก็ตามพออยู่ในห้องเราคนเดียวก็แทนที่จะนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็เปิดมือถือดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้ฟังเรื่องนั้นฟังเรื่องนี้ ไม่ได้นั่งสมาธิยังกลับยังมาเสพกามอยู่ถ้าถือสินแต่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เสพไม่ได้ความจริงนละเว้นจากการเสพหมอสพ บ, บันเทิงต่างๆร้องราทําเพลงดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายร่างกายมันก็ อาบนำบำถ้าให้มันจะเรียบร้อยผืผ้าวีผผมก็พออยู่วัดไม่ได้ออกไปหาใครไม่ได้ไปเข้าสังคมกับใครไม่จาเป็นที่จะต้องไปเสริมสวยความงามให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะการการเสริมสวยความงามสาหรับคนบางคนก็ใช้เวลาหลายอาจจะเป็นชั่วโมงก็มีทำผ้าทำผมทำตาทำหูทำอะไรต่างๆฉะั้นให้อยู่แบบเรียบง่าย แล้วก็ให้นอนไม่ น, อน้อยอย่านอนมากเกินไปให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายแต่อย่นอนเพื่อเสพความสุขจากการหลับนอนการที่เรานอนเพื่อเสพความสุขเพราะเรานอนบนฟูกหนาหนาะบนเตียงสำราญพอร่างกายได้พักผนะ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ยังไม่อยากจะลุกเพราะว่าได้นอนบนนุ่มบนบนบ น, บนฟูกหนานาะที่มันนุ่มมันสบาย ก็ขอนอนต่ออีกก็จะเสียเวลาไปอีกสามสี่ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่ยอจะมาสร้างความสุขจากการทําใจให้สงบก็เลยแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยเราจึงต้องถือศีลเน่ยขมมะคือศีลแปดศีลแปดนี้เป็นทั้งศีลห้าและเป็นทั้งศีลเน่ยขมมะควบคู่กันไปเน่ยขมมะก็คือละเว้นจากการแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรด พอเราถึงศีลแต่ได้แล้วทีนี้เราก็มีเวลาแลสิหลังจากเที่งวันเสร็จภารกิจเรื่องกินแล้วเรื่องทําบุญทําทานแล้วอะไรเมืทีนี้ก็มาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆมันยังง่วงนอนอยู่นั่งสมาธิยังจะหลับได้ก็อย่าเพิ่งไปนั่งสมาธิมาเดินจงกรมแทนเดินจงกรมด้วยการมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ วิธีที่จะสั่งแมใจไม่คิดก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคืออารมณ์ให้ใจรู้อยู่กับคํากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเวลาเดินเคลื่อนไหวก็อยู่กับอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าเราอยู่กับพุโทโธใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วคิดได้ยากขึ้นถ้าไม่ใช้คําบริกรรมก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือว่าตอนนี้ร่างกายกําลังเดิน ก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้วก้าวเท้าขวาซ้ายขว า, ซ, า, ขวาซ้ายขวาไปในเวลาทําอะไรอย่างอื่นเวลากินก็ดูการกินไปเวลาอาบน้ําก็ดูการอาบน้ําไปคอยผูกใจให้อยู่กับร่างกายร่างกายเป็นกรรมฐานเครื่องผูกใจถ้าเรามีเครื่องผูกใจแล้วใจเราก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราถึงเวลาม า, า, มานั่งสมาธิเราก็จะสามารถผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธก็ได้ หรือผูกใจไว้อยู่กับลมหายใจเขาออกก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วแต่แล้วแต่จะถนัดถ้าพออยากจะใช้สองอย่างควบคู่กันไปก็ได้อยากจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดแล้วทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นนะความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ พอสงบแล้วก็ใช้สติประครับประคองให้มันสงบไปนานๆานตอนที่สงบอย่าไปทำอะไรอย่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการเจริญปัญญาวิปัสนาอะไรทั้งสิ้นและระยะนี้เราต้องการฝึกสติฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนถ้าเข้าสมาธิได้แล้วครั้งต่อไปพอจากสมาธิมาก็ฝึกสติไปก่อนฝึกสติเพื่อให้กลับเข้าไปในสมาธิให้ได้ก่อน ตามจนกว่ามันจะชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เรานั่งแล้วหลังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะมาคิดทางปัญญาก็ได้คิดถึงอ น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่ ง, งต่างๆเช่นลาบยศฉลเสริญเมลูกเสียงกลินรดเพื่อที่จะเตือนใจว่าอย่าไปเสพมันอย่าไปเสพลูกเสียงกลิ่นรดลาดยศฉลเสริญเพราะมันเป็นทุกทุกพ่อไม่แน่นอนทุกพ่อมันเราไม่มไม่ได้เป็นของเรา เราจะควบคุมเก็บเอาไว้ให้ความสุกับเราไปได้ตลอด mm hmm. ให้คิดอย่างนี้ไปเวลาออกจากสมาธิมาคิดไปจนกว่าจิตจะเริ่มฟุ้งซ่านก็หยุดคิดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่สลับกันทําไปจนกว่าเราจะสามารถสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้ให้สักแต่ว่าเห็นได้เห็นอะไรก็ไม่มีความอยากได้ mm hmm. เห็นแล้วก็เฉยๆไปเห็นว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้อง ถ้าทำอานี้ได้ต่อไปใจแล้วก็จะปราศจากความอยากความโลภความโกรธความหลงพอปราบหมดความโลภความโกรธความหลงใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาใจก็ไม่ต้องมีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่นิพพานก็เป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาใจนี้ไม่มีวันตายความสุขก็จะอยู่กับใจไปตลอดอยังไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามา มาหากันมาทํากันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเพราะความสุขทางใจนี้สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องมือร่างกายจะแกะ่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายก็สามารถทําได้แต่ถ้าความสุขทางโลกนี้ต้องพึ่งร่างกายเป็นหลักพอร่างกายไม่ไม่สามารถทําอะไรต่างๆได้ก็ไม่สามารถหาความสุขทางโลกได้ต่อไปอันนี้นี่แหละคือเรื่องของวันพระ เรื่องของการมาทำมาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากความสุขทางโลกมาเป็นความสุขทางธรรมที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะเป็นที่พึ่งของใจไปได้ตลอดการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยทาวาเลยวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขะลัง เอวเมวะอิโตจินังเกตาังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสัพเพโปรเตุสังกปาจันทูปนาระโสยธามณิโชตอระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวทธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวะทานติอายุวันุสุขังพาลามช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่นนวันนี้ปีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊ก411ท่านทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติ331ท่านทาง youtube รตเตี v, 39ท่านพิทยุออนไลน์9ท่านคคลบเฮาส์5ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ138ท่านรวมทั้งหมด933ท่านครับที่มันถามได้เลย กลับในมรส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากทางยูทู e จาก ค, คุณลุงติเลสโกมีคนแก่เคยบอกว่าถ้าคนตายในวันพระคือเขาหมดอายุไข่จริงแท้อย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ครับจะได้เกิดปัญญาครับ อ, อตายวันไหนก็หมดอายุไขวันนั้นแนะ่ะ <laughs> <laughs> มันจะอยู่แค่วันพระวันเดียว นน้ำมันหมดน่ะน้ำมันหมดตรงไหนมันก็จอดตรงนั้นค่ะบุญก็เหมือนน้ำมันนะพอหมดบุญมันก็ร่างกายมันก็ตายแล้วอายุขัยมันก็อยู่ที่ตรงนั้นเน่ยที่ตรงที่มันหยุดเน่ยมันหยุดวันไหนก็แสดงว่าวันนั้นเป็นวันที่อายุขัยของมันหมดเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นว่าเป็นวันพระวันโกนหรือวันอะไรไม่เกี่ยวกันมีคนเกิดคนตายทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพระวันโกนที่เกิดตาย เจ้าค่ะจากคุณปายกระับนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามค่ะทําไมเราถึงไม่ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วคะในเมื่อทุกๆวันเรานึกถึงเขาตลอดเวลาค่ะเจ้เวลานอนหลับเราเป็นคนควบคุมมันคับมันไม่ได้งนั้นถ้าไมัไม่คิดถึงก็มันก็ไม่คิดถึงแค่นั้นเองเจ้าค่ะ จาก o YouTube เจ้าค่ะนั่งสมาธิดูลมต้องนั่งหลับตาหรือลืมตาคะนั่งดูลมเข้าออกตอนนั่งนาทีแรกๆหัวจะตึงแน่นรู้สึกว่าลมแรงและสั่นควรแก้ไขอย่างไรคะเวลานั่งก็ต้องหลับตาไม่ว่าจะนั่งดูลมนั่งพุโทโธหรืออะไรก็ตามเราต้องการปิดทวารไม่อยากจะรับรูปเสียงกินลดเข้ามาเพราะมันมีรูปเสียงเข้ามาแล้วมันจะลบคุสมาธิได้ เค็นนั่งหลับตาดูลมก็ดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกลมจะแรงหรือ ล, ลมจะค่อยไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปเปลี่ยนมันดูตามความเป็นจริงเราไม่ได้นั่งมาเพื่อควบคุมลมเรามาควบคุมจิตใจโดยอาศัยการดูลมเป็นเครื่องการควบคุมจิตใจตลมจะลมจะสั้นจะอยากจะแรงอะไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้น ขอคำถามเดิมใช่ค่ะชอบทำสลับกันกับบริกรรมพุทโธบางครั้งจะนึกถึงพุทโธอย่างเดียวเหมือนลมมันจะขึ้นทางจมูกหัวของมันเองหรือว่าเพราะช่วงดูลมเข้าออกไม่ได้ไม่นั่งดูลมเฉยๆเพิ่ไปบังคับลมเหมือนไม่ธรรมชาติค่ะเพิ่ไปบังคับลมควรแก้ไขอย่างไรดีคะก็อย่าไปบังคับมันเให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆ ตอนนี้เราบังคับลมหรือเปล่าตอนที่เราถามคําถามนี้เราก็ไม่ได้บังคับมันเราก็ปล่อยมันหายใจไปตามเรื่องธรรมดาของมันก็ดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปบังคับมันเจ้าค่ะคําถามต่อไปกราบเรียนถามเจ้าค่ะเวลาฟังธรรมหูฟังตาดูจิตนึกพุทโธได้ไหมเจ้าคขา ไม่ได้หรอกเวลาฟังทมให้ฟังอย่างเดียวตาก็อย่าไปดูอะไรนั่งหลับตาไปใจก็ไม่ต้องไปคิดถึงพุโทโธคิดถึงอะไรให้คิดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูก็อย่างเดียวเจ้าค่ะคำถามจากทาง facebook คุณแม่ฝากเงินไว้ที่เราจำนวนหนึ่งปกติเราจะทําบุญและแจ้งแม่ทุกครั้งแม่ก็บอกเงินที่ฝากแม่ขอทาร่วมทาบุญทุกครั้ง แต่หลังจากนั้นคุณแม่ก็จะมาถามเงินจำนวนที่ฝากในจำนวนเดิมแบบนี้คุณแม่จะได้รับบุญไหมคะถ้าเป็นเงินที่เราจ่ายเองหรือต้องหักยอดเงินที่ฝากเราจะได้ถือว่าเป็นเงินของคุณแม่เองค่ะกลัวคุณแม่ไม่ได้รับบุญค่ะฝากเก็บกับเรียนถามจค่ะก็ถามคุณแม่ดูเสียว่าเงินที่คุณแม่ฝากนี่บางส่วนคุณแม่บอกว่าเอาไปทาบุญหนูก็ไปทาบุญแล้ว คุแม่จะเอาคืนหรือเปล่าถ้าเอาคืนก็หนูก็ให้คืนได้แต่แม่จะไม่ได้บุญเพราะเป็นแม่แสดงว่าแม่ไม่ได้ทําถ้าแม่อยากจะได้บุญแม่ก็ต้องไม่เอาเงินคืนไปเพราะเงินนี้เอาไปทําบุญแล้วแต่ถ้าแม่อยากจะได้คืนหนูก็ยินดีหามาคืนให้แม่ได้เจ้าค่ะจากคุณสุรศักดิ์กลับนมัสการพระอาจารย์ขออนุญาตส่งคําถามครับ ตลอดมาผมภาวนาจ้องดูลมหายใจบ้างพุโทโธบ้างนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ทำแต่ในระหว่างทำรู้สึกอึดอัดบ้างผ่อนคลายบ้างได้ฟังธรรมพระองค์หนึ่งจึงมีคำถามมาได้หลายวันว่า จะให้จิตอยู่ในสภาวะไหนเมื่อเช้าผมวิ่งไปตั้งสติดูอาการของร่างกายไปแล้วเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแทตนจึงเกิดความคิดว่าเขาคงขี่รถคันนี้มาแน่เลยพอวิ่งไปดูสติร่างกายไปกลับมาอีกครั้งไม่เห็นผู้ชายคนนั้นอยู่บนแตนจึงเกิดความคิดจากจิตว่า จิตที่คิดมาให้เราหลงรู้เป็นไม่จริงและทุกเรื่องที่เกิดผ่านมาในชีวิตที่เราหลงเข้าไปเชื่อเป็นเรื่องไม่จริงทั้งสุขและทุกข์และเฉยๆในระหว่างนั้นจิตมันรู้สึกเหมือนตกใจวูบและได้คำตอบว่า ให้มีสติรู้สิ่งที่เกิดเฉยๆโดยสังเกตอารมณ์ที่จะเกิดจากจิตให้ทันคอยทันอารมณ์แค่นี้ทางนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราเรารู้รู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปทุกอย่างพอมันมาป้าบ่เดี๋ยวมันก็ไปสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้มันก็ไปแลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดไปติดกับอะไรให้รู้เฉยๆ เจ้าค่ะจากคุณเอเจวานกราบน้ำสการครับพระอาจารย์ผมภาวนาจนความรู้สึกที่อยู่กลางอกอยู่ตลอดแล้วเห็นความคิดที่ดีและไม่ดีมันเกิดขึ้นผมก็เฉยแล้วมาอยู่กับพุทธโธตลอดผมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกพระอาจารย์เมตตาแนะนำผมด้วยครับถ้าอยู่กับพุทธโธก็ถูกถ้าไปดูอย่างอื่นก็ไม่ถูก พยายามให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าอย่าไปดูอะไรอย่าไปดูความคิดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการหยุดความคิดอย่าไปดูความคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวก็อดคิดตามมันไม่ได้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวค ว, ความคิดก็จะหายไปแล้วจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นเจ้าค่ะจากอินบ็อกกาบนมัสการค่ะชวนลูกปฏิบัติธรรมชวนไปวัด ลูกพลัดว่าจะไปตอนนู้นตอนนี้เราบังคับลูกให้ทําเลยได้ไหมเจ้าขาบังคับก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ดีเท่ากับให้เขาไปด้วยความสมัครใจแต่ถ้ายังอยู่ในช่วงที่เราบังคับเขาได้เราก็ควรจะบังคับเขาเพราะเขายัางไม่รู้รู้ดีอิงสาไม่รู้อะไรดีไม่ดีเราก็อาจจะพาเขาไปให้ทําผิดกับสิ่งที่ดีก่อน แต่พอเขาโตแล้วนี่เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเราคงจะไปบังคับเขาไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ต้องปล่อยเขาก็เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขายังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะจิตใจของคนเรามันก็มีของเก่าติดตัวมาคนบางคนชอบไปวัดไม่ต้องชวนเขาก็ไปหรือบางทีเขามาชวนเราไปก็มีแต่ถ้าไม่มีของเก่าเลยบางทีก็ต้องอาศัยคนดึงไป ถ้าถ้าเขาต้านก็อย่าก็อย่าดึงไปถ้าเขาไม่ต้านก็ดึงไปโอเคมีคำถามอะไรเชิญถามเก็บนะวัตกรรพระอาจารย์เจ้าค่ะคืออยากจะทราบว่าถ้าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะเหมือนในละครไหมคะที่มีวิญญาณนอยู่ข้างๆและสามารถรู้ได้ว่ามีใครดีหรือไม่ดีกับเราหรือว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเราเคยทําผิดหรือว่าทําดีอะไรมาแล้วพอ เสียชีวิตไปก็ตัดสินใจว่าต่อไปจะไม่ทำไม่ดีแล้วแล้วก็สามารถรู้ว่าคนที่ไม่ดีกับเราหรือดีกับเรานี้เราให้อภัยได้เองะค่ะถ้าให้อภัยได้ก็ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อไปได้ก็ดีหมายถึงว่าเป็นวิญญาณแล้วก็สามารถรับรู้สิ่งนี้ได้ใช่ไหมคะ่ะใช่เราเป็นวิญญาณเนี่ยเราเป็นวิญญาณก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเราไปรับรู้อะไรมันก็รับรู้ในฝันของเรา เคยเข้าใจว่าเดี๋ยวผู้ที่ตายก็คงทราบเองว่าอันไหนดีไม่ดีเคยเข้าใจแบบนั้นมาเจ้าค่ะ อ, อ๋อส่วนใหญ่คนจะรู้ดีไม่ดีตั้งตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่ตายไปแล้วนี่มักจะไม่รู้อะไระขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ ม, มีคาถามจากทางยู u b e ถามเข้ามาว่ากราบในมัชการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ บางครั้งที่นั่งสมาธิหรือดนจงกรมอยู่น้ำตาก็ไหลทั้งที่ไม่ได้รู้สึกเศร้าไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะและเราควรปล่อยให้น้ำตาไหลไปโดยไม่สนใจหรือสามารถขยับเพื่อมาเช็ดน้ำตาได้คะไม่ต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรอกให้รู้วิธีปฏิบัติกับมันก็คือถ้าเราพูดโทยู่เราก็พูดโทต่อไปถ้าเราพูดโทแป๊บเดียวเดี๋ย ว, ยวอาการเหล่านั้นก็จะหายไป ถ้าเราหยุดพุทธโธมันก็อาจจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทำสมาธิให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะว่างจะสงบยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะการทำสมาธิก็พยทําใจให้ว่างให้สงบให้เย็นให้สบายถ้ายังไม่ว่างยังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อย ถ้าเราใช้พุทโธถ้าเราใช้าการดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอาการเหล่านั้นก็จะหายไปหมดไปแล้วใจก็จะเ ย, ย, ย็นใ จ, จก็จะสงบได้พระอาจารย์เจ้าค่ะ อย่างถ้าเกิดเราเราภาวนาพุโทโธแล้วจิตมันยังไหลยังฟุ้งอยู่ในในขณะที่ที่เราพุโทโธเราเปลี่ยนเป็นดูลมได้ไหมเจ้าคะหรือว่าต้องพุโทโธต่อไปได้เปลี่ยนได้แล้วแต่อันไหนที่หยุดความคิดได้ก็ใช้อันนั้นไป กับพระอาจารย์ค่ะพอดีหนูปฏิบัติธรรมเราจิตสงบจิตอยู่ที่ฐานของจิตอะค่ะแต่บางครั้งพอมันมีความอ่อนหรือกิเลสที่มากระทบภาษาค่ะเราก็กําหนดแค่รู้เฉยเมื่อกี้ที่พระอาจารย์สอนว่าให้รู้เฉยอะค่ะถ้าเรารู้เฉยๆแม้ว่ากิเลสที่เกิดอยู่ข้างนอกเห็นใจที่มันลอยอยู่บนความทุกข์อะค่ะแต่เรากลับมาอยู่ที่ฐานของจิต มันก็นิ่งมันก็สบายถ้าทําอย่างเนี้ค่ะไปเรื่อยๆกิเลสมันจะลดทอนไปบ้างได้ไหมคะเรากเป็นวิธีการลดทอนกิเลสก็คืออย่าไปทําตามมันมันชวนเราไปกินเราก็อย่ายไปกินมันชวนเราไปดื่มเราก็อย่ายไปดื่มต่อไปความอยากกินอยากดื่มมันก็จะหายไปพอกําหนดที่ฐานของจิตมันจิตก็จะเป็นปัจจุบนนะะันค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยดังนอุบเบกขาอยู่ตรงนั้นค่ะพ<า>อยูที่ฐานของจิตจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ ค่ะแล้วอันนี้เป็นการตัดเกล็์ก้างสาขาของกิเลสแล้วถ้าจะถอนถอนลากถอนโคนนี่จะต้องพิจารณาในขั้นสูงอย่างไรเจ้าคะก็พิจารณาด้วยปัญญาว่ากิเลสคือตัวที่เป็นปัญหาต้องไม่กไม่ทำตามกิเลสทุกชนิดแล้ว่าจะอยากอะไรก็ตามต้องตัดมันให้ไม่ล พอเราใช้ปัญญาสอนใจเราแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งอยู่บนจิตที่เป็นฐานที่ตั้งแล้วต่อไปเวลาเราเจอความอยากเราก็จะหยุดมันทันทีมันจะไม่ทำตามเพราะว่าปัจจุบันไม่ไม่ค่อยต้เข้านั่งสมาธิแบบยาวๆอะค่ะแต่แค่พักจิต เฉยๆแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากต้องทํางานเราต้องอยู่กับข้างนอกค่อนข้างเยอะอะค่ะแต่ก็จะใช้วิธีนี้แต่ก็ยังเกรงว่าเป็นการตัดกิเลสแค่เล็กๆน้อยๆค่ะพระอาจรารย์ก็ต้องไปดูที่สังโยชนตัดได้ป่าตัดขันห้าได้เปล่าค่ะร่างกายเราเราปล่อยวางได้หรือเปล่าเวลามันจะตายปล่อยมันตายได้หรือเปล่า เวลามันจะเจ็บปล่อยมันเจ็บได้หรือเปล่าไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่ายิงเจ็บกับมาที่ฐานเหมือนเดิมค่ะแล้วปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของมันค่อันนั้นนะถึงจะเรียกวเป็นของของจิตของหลักต้องละสังโยชน์เหมือนเวลาเราเห็นขันห้ามันอยู่ข้างนอกมันทํางานของมันอะค่ะมันไม่ใช่เราค่ะเราเป็นจิตเราเพียงแต่ใช้ใช้มันเป็นเครื่องมือเป็นคนรับใช้เราว้ามันจะเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมัน ค่ะเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยๆตายก็รู้ว่าตายค่ะให้จิตมีสติอยู่กับอยู่กับอยู่กับทยู่านใช่แต่ว่ารู้ค่ะรูเบกขาอยู่ตรงนั้นการที่เรากําหนดอยู่ตรงที่ฐานตรงนี้ถ้าถ้ากิเลสยังตายไม่หมดสังโยชน์ยังตัดไม่หมดก็ยังต้องกลับมาเกิดอ่าก็ต้องพยายามถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาก็ต้องไปกระตุ้นมันถ้ามันโผล่ขึ้นมาอ๋อค่ะบางทีมันยังความกลัวความกัวความตายไม่โผล่ขึ้นมาก็ต้องไปหาที่น่ากลัวดู เขาดูแค่ว่าความกลัวความตายมันโผล่ขึ้นมาแล้วแบบค่ะเขาโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันเสียค่ะกลับขอบพระคุณค่ะอาจารย์มีคำถามจากคุณจตุรลนถามเข้ามาว่ากลบาบขอโอกาสถามหลวงปู่ครับมีเจ้าสุนัตตัวหนึ่งมีเจ้าของห่างจากบ้านผมไปประมาณหนึ่งกิโลเขาชอบ ข้ามถนนมาหากินเสร็จอาหารที่บ้านของผมบางทีผมก็ให้อาหารเขาบ้างรถชนเขาหลายครั้งแล้วแต่ยังข้ามถนนมากระผมควรยิงกับหนังสติ๊กหรือไม่ให้กินเสร็จอาหารหรือทำอย่างไรครับหลวงปู่เป็นกังวลกลัวจะรถชนเขาครับก็เราก็ต้องเลือกเอาว่าให้เขาอดดีหรือให้เขาตายดีถ้าให้เขาอดก็เอาหนังสติ๊กยิงได้มันให้มันหนีไป มันจะได้ไม่ข้ามถนนมาหาเราเองแต่ถ้าอยากจะให้เขาอิ่มไม่อยากให้เขาอดแต่เขาอาจจะตายได้ก็ต้องก็ต้องให้เขาเสี่ยงตายเอาเองก็แล้วกันคุณเอกเลิฟยูถามเข้ามาว่า ก, กราบนมัสการเรียนถามเจ้าค่ะข้อหนึ่งถ้าไม่ไปเบียดเบียนเขาเลยและทนเงียบและให้อภัยเขาตลอดแต่ เขาตามเบียดเบียนตลอดเขาจะรับกรรมในชาตินี้ไหมคะพระพุทธเจ้าโดนเทวทัตตั้งจิต จ, จองเวรทุกชาติพระพุทธเจ้าบา ร, รมีสูงยังเจองี้ปุถุชนจะโดนคนอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนทุกชาติไหมคะเขาไม่แพ้ภัยตัวเองในชาติปัจจุบันไปลงนรกบ้างหรือคะจะมา เจอจองเวรทุกชาติไหมคะขนาดแฟนถ้าศิลบุญกรรมไม่เสมอกันตายไปต่างคนต่างไปไม่เกิดมาเจอกันเลยคะ่ะคือเวรมันมันต้องมีวันหมด่ะให้เขาใช้ไปเขาอยากจะทำร้ายเราก็ทำไปเขาก็ทำแล้วพอเขาได้ทำตามที่เขาอยากทำแล้วเขาก็จะหมดเวรกับเราไป คำถามข้อที่สองร้านอาหารบุฟเฟ่ปลาทับทิมร้านมีกระชังปลาหลังร้านถึงเราเป็นคลรวาสไม่ใช่พระก็ไม่ควรไปกินร้านนี้ไหมคะเพราะเป็นอุทิศมังสะไหมคะก็ถ้าเขาเอาเอาปลาที่ยังมีชีวิตอยู่มาฆ่ามาขายให้กับเราถ้าเรามีส่วนไปสั่งเขาเราก็ล้วก็ทำบาปด้วย อย้นถ้าเราไม่อยากจะทําบาป ก, ก็สั่งอาหารที่ตายแล้วสัตว์ที่ตายแล้วหรือสั่งผักสั่งอะไรมาแทนยังไม่กินได้อยู่แต่อย่าไปสั่งอาหารที่เขาจะต้องเอาเอาปลาพวกนี้ไปฆ่ามาเพื่อทําอาหารให้กับเรามีคำถามใช่ไหครับอก็ดีครับเออคือผมอ่านเเรื่องเกี่ยวกับมหาบัวครับแล้วก็ข้ออธิบายว่าเป็นทางของจิต ววิธีของเดชนะครับช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับมันครับถามามันกว้างมากเลย of the Heart ก็หมายถึงเรื่องของจิตใจของเราธรรมะของพุทธเจ้าก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจวิธีรักษาใจให้เราไม่ให้ทุกข์ให้ใจเราสงบให้มีแต่ความสุขถล่มง่ายๆก็คือเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมการทำบุญทาทานการรักษาศีลการภาวนานเนี่ยเป็นเป็น of the heart เป็วิธีที่เราจะดูแลรักษาใจของเราให้พ้นทุกข์ให้มีแต่ความสุขแล้วจิตนี้ตอ้องนิพานแล้วยังยังมีอยู่ไหมครับหรือว่าอยู่ยังอยู่ต่อนนิพานไม่นิพานก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าท่านนิพานก็ไม่ไ ม, ไม่มามีร่างกายมาไม่มาเกิดใหม่แต่ถ้ายังไม่ยังไม่นิพานก็ยังเรากลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่จิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมจิตไม่ไม่มีวันตาย เป็นแต่ ว, ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดจิตที่เป็นนิพพานนี้ไม่เวียนว่ายตายเกิดส่วนจิตที่ยังไม่เป็นนิพพานยังไม่ถึงนิพพานก็ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆก่อนอ๋อถ้าแล้วถ้าเราเอวิปัสนาจิตของเรามันมันจะเป็นอย่างไรครับถ้าเห็นจริงๆแล้วอวิปัสสนาก็ให้เห็นว่าตัวที่พานเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากของเราอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอะไรอย่าี้ ต้องตัดมให้มันต้องหยุดมันอย่าไปทำตามพอทำแนละ้วมันจะพาเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ อ, อาจารย์นะก็คือจิตของเรามันก็บริสุทธิ์อยู่แล้วที่จริงตอนนี้ไม่บริสุทธิ์มันยังมีกิเลสอยู่ เ, เราต้องปฏิบัติเพื่อชำระให้มันบริสุทธิ์ปฏิบัตินั่งสมาธิเตืินปัญญานี้จะเป็นวิธีทำจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นทําให้กิเลสตัญหาความอยากต่างๆหมดไปจากใจ ครับแล้วอีกคำถามหนึ่งคือเอาเ อ, าอาจารย์บอกว่าเราควรได้ฌานแต่ว่าถ้าเป็นคนคาร ว, ว่าทํางานอยู่มันจะเป็นไปได้ไหมครับหรือได้ถ้ามาปฏิบัติในวันพระอรราทิตย์ละวั น, นี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีโอกาสจะได้แต่ถ้านั่งวันละครึ่งชั่วโมงเล้วไม่ปฏิบัติสติเลยทั้งวันนี้ก็ไม่มีวันที่จะได้แต่ถ้ามาปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่เช้าก็จเจริญสติฝึกสติไป พอมีเวลาว่างแล้วก็นั่งสมาธิไปอย่างนี้เดี๋ยวจิตก็จะรวมปเป็นเป็นฌานได้ขอบคุณครับคุณสมพิษถามเข้ามาว่าเคยนั่งสมาธิแบบปรับตา แต่เอาจิตดูเ ป, ปลืกตาด้านในและบริกรรมพุทโธเกิดตกหลุมอากาศและเห็นเหมือนเราอยู่ในอวกาศและได้ยินเสียงบริกรรมโดยที่เราไม่ได้บริกรรมเองแบบนี้ถูกไหมคะก็ยังไม่ถูกเราต้องต้องตกจากที่สูงลงมาแล้วก็นิ่งสงบว่างเย็นสบายถ้ายังมีอะไรอยู่ยังเห็นอะไรอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่สงบเย็น ใช่ค่ะคุณสตีเหล็กเดอล็อกถามเข้ามาว่าพระอาจารย์คะหนูทําอานาปนาสติตอนเช้าทุกวันวันละสิบหนาทีแต่หนูก็มาเป็นเวลาสามสี่เดือนแต่หนูรู้สึกว่ามันยังไม่สงบแต่รู้สึกมีสติยับยั้งกิเลสมากขึ้นเป็นผลจากการทําอานาปนานสติใช่ไหมคะสายโทค่ะเป็นผลจากการที่เรายังมีสติน้อยอยู่ยังไม่สามารถทําให้สงบได้ เราต้องมีสติเจริญสติให้มากขึนน้กว่านี้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเจ้าค่ะคุณท b บีพี BP, จาก Youtube เจ้าค่ะถามเข้ามาว่าเลี้ยงสัตว์สวยงามขายแบบหรือไม่ครับแต่เราไม่ได้ค่านะครับขอบพระคุณครับถ้าเราเป็นสัตว์ให้แล้วเขาเราไปขายเราจะรู้สึกยังไงบ้างก็คิดดูกันแล้วกันช่ปล่อยให้เขาอยู่แบบวิสระไม่ดี ทุกคนต้องการอยู่แบบอิสระเราจะไปกักขังเขาเราไปทําเขาเป็นเหมือนสินค้าถ้าเกิดใครเข้ามาจับเราแล้วไปขายเราไปให้ไปเป็นเป็นคนรับใช้ของบ้านนน้นบ้านนี้่เี้ยเราจะรู้สึกอย่างไะคิดเองโ่า อ, อกเขาโหงเราเราก็จะรู้ว่าบาปหรือไม่บาปสิ่งไหนที่เราไม่ชอบไหมเขาไม่ไม่ชอบกับกับเราแล้วเราไปทําให้เขาเห็นอนนั้นแหละก็คือบาปเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ okay.